ภาวนาพุทโธตอนแรกๆอย่าลืมว่าอุบายวิธีการต่างๆที่ท่านวางแนวเอาไว้เนี่ยเป็นการฝึกจิตให้ติดกับอารมณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เหนียวแน่นก่อนเช่นอย่างคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็ฝึกจิตให้ติดอยู่กับคําว่าพุทโธเมื่อมันมาติดอยู่กับพุทโธมันก็ทิ้งสิ่งที่ผลาญพลังทั้งหลายก็ามาอยู่ที่พุทโธ และบางทีในที่สุดเวลากระทบอารมณ์พับแทนที่มันจะวิ่งไปยุ่งกับเรื่องนอกมันวิ่งเข้าหาพุทโธเพราะฉะนั้นการบริกรรมภาวนานี้มันก็ได้ผลคือมันตัดสิ่งกังวลรอบข้างออกหมดมันมาอยู่กับพุทโธคำเดียวทีนี้ปัญหามีว่าถ้าเราไม่ภาวนาพุทโธไม่นึกถึงพระพุทธเจ้ามันจะเป็นภาวนาได้อย่างไรใครๆก็อาจจะสงสัย คือผู้รู้เมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตอยู่จิตของเราก็เป็นจิตพุทโธจิตของเราก็เป็นจิตพุทธะคือพุทโธถ้าจิตของเรามีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งสมาธิมั่นคงมันก็เป็นพุทโธผู้ตื่นที่แรกเป็นพุทโธผู้รู้คือรู้สึกตัวเมื่อมีพลังเข้มแข็งขึ้นจะเป็นพุทโธผู้ตื่นตื่นตัว เตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตกล้าวกล้าอาจหารก็เป็นผู้เบิกบานเต็มที่